เมื่อตอนนี้ไฟพึ่งพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้นแน่วแน่อย่าปล่อยใจไปข้างนอกผู้ใดภาวนาส่งใจไปข้างนอกก็มีผลอยู่สองอย่างคือหนึ่ง ให้เกิดความรักของมใคร่ในอารมณ์ที่น่ารักน่าชอบใจสองให้เกิดความเกลียดชังคนโน้นคนนี้ที่ตนได้รังเกียดมาแต่ก่อนสามทำให้เกิดความกลัวกลัวผีกลัวอะไรต่ออะไร ที่เขาสมมุติกันว่าผีมันดุต่างๆนั้นมาผีหลอกพวกนี้นะที่มันเกิดอาการดังกล่าวขึ้นมานี่ล้วนแต่มันท่งกิดออกนอกไม่มีสติสำรวมจิตยอยู่ภายในถ้าหากว่าน้อมสติระลึกเข้าไปหาความรู้สึกอยู่ภายในนั่นแล้ว ควบคุมจิตคือความรู้สึกอันนั้นได้แล้วมันจะไม่เป็นอย่างว่านั้นเลยอมันจะไม่หลงรักหลงชังมันจะไม่หลงคลาด ก, กลัวอะไรต่ออะไรเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั่น่ะมันมีเหตุปัจจัยของตนเองอยู่แล้ว มนุษย์เรามันก็มีบุญเป็นเครื่องตกแต่งเป็นเครื่องรักษาให้อยู่แล้วแล้วสัตว์อื่นๆเขาก็มีกรรมเป็นของเขาเขาก็เสวยผลแห่งกรรมของเขาอยู่อย่างนั้นเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปลุกลานใครต่อใครเราต้องเรียนรู้ถึงเหตุปัจจัยแห่งชีวิตอันท่องเที่ยวอยู่ในโลกนี้ ให้เห็นตามเป็นจริงเชิงโยอบุคคลผู้ประมาทเล่นเล่อเผลอตัวไม่มีความมั่นใจในคุณพระรัตนกรัยไม่มั่นใจในบุญกุศลที่ตนได้บาเพ็ญมาว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐกลับเห็นว่าไม่เป็นที่พึ่งอันประเสริฐเสียแล้ว พึ่งไม่ได้ถ้าไปมีความรู้สึกอย่างนั้นมันก็กลัว่าสิบอมันกล่วว่าเวแล้วจิตใจนี่นะถ้าผู้ใดมั่นใจอยู่ในคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มั่นใจอยู่ในบุญกุศลว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐและไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะมีอำนาจเหนือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหนือบุญเหนือกุศลที่ทนกระทบบำเพ็ญมาอย่างนี้นะ เมื่อเห็นว่าบุญคนไม่มีอนุภาพกลัวสิ่งใดทั้งหมดแล้วแล้วตนมันก็เชื่อมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่างนี้แล้วจะมีอะไรามาเบียดเบียนอ่มันก็ไม่ขลาดไม่กลัวอืมันก็ไม่สะดุ้งตกใจอะไรต่ออะไรแต่ทางนี้ทางนั้นเราต้องเพ่งจิตนี่น่ะ จนให้บุญคุณเหล่านั้นซึมทราบเข้าสู่จิตใจจริงๆไม่ใช่นึกแต่ลอยรอยนะยนณะเมื่อบุญคุณในมันซึมทราบเข้าสู่จิตใจได้แล้วอย่างนี้ใจมันก็หนักแน่นนะมันก็นยอมเสียสละอะไรต่ออะไรได้ทุกอย่างไปเลยเพราะว่าจิตเมื่อได้ที่พึ่งอันประเสริฐอย่างนั้นแล้ว มันก็ไม่หวังพึ่งร่างกายอันนี้ก็อ ม, อมองเห็นอยู่แล้วนี่ว่าร่างกาย น, นี้มันไม่เที่ยงมันไม่เที่ยงแล้วก็พึ่งมันไปนานก็ไม่ได้แล้วหมดเหตุหดตัจใจแล้วมันก็แตกดับไปอย่างนี้นะมองเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไปหวังพึ่งร่างกายนี้อยู่ทำไมอ่ะก็รีบสร้างที่พึ่งขึ้นในจิตใจ เข้าให้เต็มที่มันต้องคิดอย่างนั้นการสร้างที่พึ่งขึ้นในใจกับพาอเราเหมั่นละลึกถึงอยู่เสมอนี่แหละเส้นภาวนาเมื่อนั่งสมาธิเข้าไปแล้วก็อธิษฐานจิตถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อธิษฐานจิตถึงบุญถึงกุศลความดีที่ตนกระทำมา ขอให้มาบาังเกิดขึ้นในจิตใจของข้าพเจ้าในปัจจุบันนี่แหละขอให้เป็นที่พึ่งกําจัดทุกกรำจัดภัยทั้งหลายให้ออกไปจากจิตใจของข้าพเจ้านี่ขอให้จิตใจข้าพเจ้าสงบระ ง, งับเป็นสมาธิขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริง ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นก็ต้องอธิษฐานจิตถึงบุญถึงคุณเหล่านี้นะบ่อยๆเข้าแล้วเมื่อบุญคุณเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วใจคอมันก็หนักแน่นไม่วันไหวได้วันนี้นะเพราะวันได้ที่พึ่งอันประเสริฐแล้วแต่ร่างกายนี่มันก็บุญเก่านะนะรักษาไวนะ้เมื่อบุญตนมีอยู่มันก็ไม่มีอะไรจะมาทำร้ายได้อะ ถ้าหมดบุญแล้วมันก็แปรโวนแจกดับไปใครจะบังคับยังไงมันก็ไม่ได้มันก็ต้องแจกต้องดับไปตามการเวลาของมันพิจารณาให้มันรู้แจ้งชัดอย่างนี้แล้วมันก็หายรักหายชังหายกลัวต่างๆนา น, นาหมดนั่นนะแต่ต้องพิจารณาบ่อยๆนะพิจารณาให้มากอย่าไปเข้าใจว่า พิจารณารู้ครั้งหนึ่งสองครั้งแล้วเแื้วจิตใจมันจะเข้มแข็งมันจะไม่วันไวอะไรต่ออะไรอย่างนี้มันไม่ใช่นะต้องพิจารณาให้มากจเจริญให้มากทีเดียวหากว่าผู้ใดรู้ว่าจิตใจทนมันวันไวไปด้วยกิเลสอะไรอย่างนี้นะเราก็หาอุบายมาสอนจิตให้มันรู้เท่ากิเลสอันนั้น เช่นกิเลสแห่งความกลัวอย่างนี้นะก็มีอุบายสิกลัวอะไรแล้วเรามีที่พึ่งอยู่แล้วกระดังที่แสดงมาแล้วนั่นแหละเมื่อมันนึกถึงที่พึ่งบ่อยๆเข้างี้จิตใจมันก็เข้มแข็งขึ้นเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นกนะ็ให้พึ่งพากันปฏิบัติตามอย่างนี้สำหรับผู้มีโรคที่คลาดอยู่ในกายในใจ เนี้ยวก็จะไปอ้างว่าเกี่ยวกับประสาทร้อนอย่างนู้นอย่างนี้ออย่าไปโทษร่างกายร่างกายอันนี้มันไม่เที่ยงมันก็แปรปรวนไปตามเรื่องของมันนั่นแหละแต่เมื่อเราฝึกใจห้ามใจได้ใจเข้มแข็งใจมีที่พึ่งอันประเสริฐแล้วอย่างนี้ร่างกายนี้มันจะเป็นไปยังไงจิตก็ไม่วันไหวไปตามมันมันคนละส่วนกัน อย่าไปเอาเคร่าเข้าใส่กันจนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างนี้มันไม่ถูกแล้วอืมร่างกายเกาะแยกออกให้มันเป็นส่วนหนึ่งประกอบได้วยธาตุดินธาตุน้าํนาธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุปิญญาณะธาตุอย่างนี้แหละร่างกายอันนี้มันก็มีช่องว่าง ช่องปากช่องจมูกช่องหูเป็นต้นเหล่านี้น่ะพี่นาดูสิตรงไหนที่มันเป็นช่องว่างลนะ่ะท่านเรียก ว, ว่าอากาศาธาตุมีในกายออืวิญญาณาธาตุมันก็อาศัยอยู่ทั่วสลรพางร่างกายนี้นะออืเว้นตั้งแต่เล็บมือเล็บเท้าเท่านั้นแหละหรือว่าวันอย่างนี้วิญญาณมันไม่เข้าไปอยู่หรอกมีแต่ ธาตุสีมันไปหล่อเลี้ยงไว้ฟันไอเล็บมืออย่างนี้เอามีดตัดเล็บมาตัดมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดอะไรอย่างนี้นั่นแหละวิญญาณมันไม่ได้เข้าไปอาศัยผมอย่างนี้วิญญาณมันก็ไม่ได้เข้าไปอาศัยเพราะฉะนั้นตัดหรือโกนมันก็ไม่เจ็บนอกจกนั้นแล้ววิญญาณอาศัยอยู่ทางนั้น ให้เข้าใจก็ให้เพ่งให้เห็นว่าเป็นวิญญาณนาฏาตความรู้สึกอันนี้แหละมันเมื่อไม่รู้เท่าแล้วมันทําไม่ขลาดให้กลัวทําให้หลงรักหลงชังดังกล่าวมาแน่นนะ่ะหลงความรู้สึกหลงความนึกคิดของตัวเองเข้าใจว่าความคิดความรู้สึกอันนั้นมันโสภาคือว่ามันหน้า ยินดีน่าพอใจอย่างนี้น ะ, อะลองทวนกระแส จ, จิตเข้ามาดูสิน้อมสติระลึกเข้ามาหาความรู้สึกอันเนี้ยไวยบ่อยเข้าไปแล้วเมื่อมันขาดมันกลัวมันก็รู้ได้มันก็พิจารณาได้มันกลัวเพราะอะไรอย่างนี้นะเมื่อทบทวนดูแลอ๋อมันกลัวเพราะเหตุว่า มันหลงวิญญาณความรู้สึกพอมันมีความรู้สึกเรื่องน่ากลัวขึ้นมามันก็วิตกวิจาร์ขึ้นมาแล้วน่าจะมีผีน่าจะมีะมอันเสียงสิ่งเสียทชั้นอะไร ส, สิงสถิตอยู่ในหมูน่นี้หมูน่นี้มันก็วิตกไปพอวิตกไปเท่าไหร่มันก็กลัวขึ้นมาแล้ววันนี้น ะ, ะมันเป็นอย่างนั้น ความรักความชังก็เหมือนกันแหละมันก็เกิดจากวิตกนั่นเองนะถ้าไม่วิตกแล้วกิเลสตอนนี้จะไม่เกิดขึ้นดังนั้นทุกคนต้องฝึกสติสมัมปชัญญะมันแก่กล้าห้ามจิตให้ได้อย่าให้มันวิตกไปในเรื่องหมู่นั้นผู้ปฏิบัติทมนะให้เข้าใจถ้าไปปล่อยให้จิตวิตกไปตามเรื่องหมู่นั้นแล้วอย่างนี้มันจะสงบได้ยังไงอะ มันก็พุ่งไปเรื่อยไปเท่านั้นเองนะดังนั้นให้รู้ตัวทีแรกก่อนอื่นนี่นะมันต้องห้ามจิตให้ได้ซะก่อนต้องอดต้องทนต่อกิเลสอำนาจกิเลสมันมาผลักดันให้จิตคิดพุ่งไปต่างๆนาน า, นานเนี่ยไม่ไปทำมันเราจะอดไม่คิดไปตามกิเลสเตือนตนเข้าไปอย่างนี้นะ เมื่อเตือนตรนเข้าไปแล้วมันก็อดสิมันก็ไม่คิดนะ่ะมันจะเกิดทุกขเวทนาอย่างไงในขณะนั้นก็อดเอาทนเอาไม่ให้มันวันไหวนั่นแหละอำนาจของกิเลสอนะ่ะอันที่มันเกิดความรู้สึกเวททุกขเวทนาขึ้นมาในขณะที่เราสะกดจิตข่มจิตหรือว่าอดกลั้นต่ออำนาจของกิเลสอยู่นั่นนะเพศของกิเลสนะั้นมันจะ สดแสดงออกมาให้เกิดทุกขเวทนาร้อนกายร้อนใจขึ้นมา น, นี่นะแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าไปท้อถอยอะออดทนแพ่งมันอยู่นั่นแหละเอาสิ่งใดมันมีเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องดับได้มันไม่ใช่มันจะเที่ยงยั่งยืนอะไรกี้เล็ดก็ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนเมื่อมันอันสิ่งใดมันเกิดขึ้นมาแล้วสิ่งนั้นก็ดับไปเมื่อจิตไม่ยึดไม่ถือ แล้วมันจะตั้งอยู่ไม่ได้เลยเตือนตนเข้าไปอย่างนี้นะอบางคนก็ปล่อยจิตให้คุ้งไปตามอารมณ์ต่างๆที่เป็นอดีตอนาคตก็เคยเตือนอยู่แล้วนะอแล้วไม่ปฏิบัติตามนะ่ะใครไปช่วยได้ลนะ่ะก็อย่าไปคิดถึงเรื่องอดีตที่ล่วงมาแล้วอย่างนี้นะก็เตือนตนเข้าไปในนั่งภาวนาเข้าไปอะ่ะ มันจะแล่นไปในเรื่องอดีต ท, ที่ล่วงมาแล้วก็เตือนตนนะนั่นเรื่องมันล่วงมาแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ที่เรามานั่งภาวนาอยู่นี่จะเพิ่งคิดไปถึงมันมันทํามาแล้วอะไรอะไรมันก็ล่วงมาหมดแล้วแล้วจะคิดไปหามันทําไมอย่างงี้นะเอ็ก็มีสติสะกดจิตไว้อืมก็ อ, อย่างที่แสดงให้ฟังมาแล้วบ่อยๆ อ, อยู่ สตินั่นเมื่อแก่กล้าเข้าไปแล้วมันก็เหมือนทำนกกั้นน้าที่แข็งแรงถ้าทำนกทำไม่ดีใช้วัสดุอ่อนแออย่างนี้มันก็ต้านทานตรอกระแสน้าไม่ได้เมื่อกระแสน้าไหลหลากมาแต่เบื้องสูงปะทะทำนกอ น, นั้นเข้ามันก็ทานไม่ไหวแล้วมันไม่แข็งแรงพอมันก็พังลงไปอย่างนี้แหละ ไอ้กระแสของกิเลสตัณหาอยู่ในจิตใจของคนเรามันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเหมือนกับกระแสน้านั่นเองนะสติเราเพ่งอยู่เข้าไปภายในบ่อยๆเข้าไปเพ่งรู้นี่นะอ่านานเข้าก็แก่กล้าขึ้นที่สติอันนั้นนะให้เข้าใจเมื่อเราไม่เพ่งเข้าไปหาความรู้อันนั้นมันสติ ที่มันจะประคับประคองจิตรักษาจิตนั้นมันก็อ่อนแ อ, อเมื่อเราระลึกไปภายนอกมากๆสติมันก็เข้มแข็งไปภายนอกนูน่นอย่างนี้นะแล้วมันก็อ่อนแอภายในสิวะนี้เอาไปใช้ภายนอกนั้นเสียมากเว่ามากอให้เข้าใจเราต้องเอามาใช้ภายในสติแปลว่าความระลึกได้ระลึกเข้ามาหากายระลึกเข้ามาหาจิต คือความรู้สึกของนี้นะนะี่ก็อย่างที่พูดได้ฟังมาแล้วนะการระลึกเพ่งเข้าไปหาจิตใจนะ่ะกิเลสมันจะต้านทานมันจะสกัดกั้นไว้ไม่ให้สติระลึกอย่างเข้าไปหาจิตนั่นแหละแล้วฤทธิ์เด็ดเอของกิเลสมันก็จะทำให้จิตเ ร, าร่าร้อนกวนกวยขึ้นมานี่ เราก็รู้ใช่ว่านั้นลิเตศของกิเลสเราจักไม่อ่อนเน้อไปหามันเราจักไม่อ่อนไว้ไปตามมันเราจะสกัดกั้นกระแสของกิเลสตัณหาเหล่านี้ให้มันหยุดลงอธิษฐานในใจอย่างนี้แล้วก็เพ่งรู้อยู่ออดกัน้นทนทานอยู่อย่างนั้นเมื่อเราสร้างสติมันแก่กล้าสัมปชัญญะมันแก่กล้าขึ้นแล้ว กี่หลตอนนั้นมันก็สู้กําลังสติสัมปชัญญะไม่ได้มันก็อ่อนกําลังลงอเป็นงั้นเมื่อมันอ่อนกําลังลงไปแล้วทุกขเวทนามันก็เบาลงเบาลงลมหายใจมันก็อ่อนเข้าไปละเอียดเข้าไปนี่ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็คลอยสงบลงสงบลงนั่นแหละความคิดความนึกก็สงบลงไปโดยลําดับ เมื่อจิตมันหยุดคิดรงไปแล้วมันก็เหลือแต่ความรู้กับสติเท่านั้นเองอยู่ในปัจจุบันกับลมหายใจเข้าหายใจออกจิตนี้เมื่อมันวางอารมณ์ต่างๆได้แล้วมันก็มีแต่ดิ่งลงไปสู่ความสงบนะมันจะไม่พุ่งไปที่ไหนเลยแบบนี้นะใ ห, ให้สังเกตดูถ้ามันยังพุ่งอยู่แสดงว่ามันยังประงับกิเลสอันเป็นข้าศึก แก่ความสงบนั้นยังไม่ได้เราก็ต้องภาเกียนเพ่งพินิษเลื่อยไปสะก่อนเนี่ยจนกว่าว่าสติสัมปชัญญะมันแข็งกล้าขึ้นแล้วมันก็เอาชนะกิเลสอันเป็นข้าศึกแก่ความสงบนั่นได้กิเลสนั่นก็ยอมละ ง, งับไป เ, เช่นความรักความชังความง่วงเหงาหานอน ความที่จิตฟุ้งซ่านรําคาญต่างๆนี่ก็ระ ง, งับลงความสงสัยลังเลในเรื่องบาปบุญคุณโทษเป็นต้นเหล่านี้ก็ไม่มีก็สงบระ ง, งับไปนี่เมื่อกิเลสเหล่านี้มันระ ง, งับลงไปแล้วจิตใจมันก็ไม่ค้างตึงอยู่เบื้องบนแล้วมีแต่มันจมดิ่งลงไปสู่พุเดิมของมันไปสงบนิ่งอยู่เลย อิ ม, อ, มอารมณ์ต่างๆไม่ปรารถนาอยากคิดแล้วนี่แหละการภาวนานะให้พากันเข้าใจจาไปทาอ่อนแอไม่ได้ต้องทำใจเข้มแข็ ง, ขงกล้าหาัอแต่ความกล้าหานเรานี้คนส่วนมากเอาไปใช้อย่างอื่นนูน่นกล้าหานชกต่อยตีผู้อื่นด่าแช่งผู้อื่นบกกล้าหาร แบกแบกห้ำห้ำโดยอำนาจแห่งความรักความอยากแล้วนี่ทไ้ไิ่กล้าหาันต่อการ ง, งานอะไรต่ออะไรจะทุกขากลำบากอย่างไรก็สู้ตันหามันยุอยู่เรื่อยไปนั่นไอ้สตินนเอาไปใช้กับตอนตันหานุ่นมากต่ามากไว้อดทนต่อทุกขเวทนาเนื่องจากตันหามันบังคับเอาอก็ทำได้ ท่านพอามาตั้งใจว่าจะมาละตันหาอันนี้เข้าฝึ ก, กจิตใจสติมันเข้มแข็งเข้าไปไม่เอาสู้ไม่ได้ไอ้อย่างนี้นะที่ให้เห็นอย่างนี้แหละให้พากันสังเกตตัวเองทุกคนถ่าตนมันอ่อนแอรจริงเหลือการทำความเพียรทางภายในจิตใจนะแต่พูดถึงการงานภายนอกเข้มแข็งจริงหรือ นี่ต้องต้องรู้้วยตนเองแนหะข้อนี้นะถ้าเป็นเช่นนั้นแล้วก็แสดงว่าจิตใจมันไปดูดดื่มแต่โลกียสุกนูน่นมันไม่สนใจในนิรามิาสุขสุขไม่ต้องเอียงอาศัยวัตถุสิ่งของอันใดเลยอันนี้เป็นสุขอันสดใสหมายถึงเราทำใจให้สงบรวมลงเป็นหนึ่ง มีสติประคองอยู่นั่นน่ะนั่นมันเป็นความสุขอันไม่ต้องอิงอาศัยเงินทองเข้าของลาบยศสนเสริญอะไรต่อะไรไม่ต้องอาศัยร่างกายอาศัยแต่เหมือนไม่อาศัยเหมือนอย่างน้ำที่ลอยอยู่ตามบนใบบัวนั่นน่ะใบบัวอาศัยน้ำอยู่แต่ว่าน้ำซึมซาบเข้าสู่ใบบัวไม่ได้ ทันใดจิตของท่านผู้ทําให้สงบระงับลงไปแล้วอารมณ์ทั้งหลายย่อมซึมเข้าไปไม่ได้ก็อย่างนั้นอืมแต่ที่มันยังหยุดคิดไม่ได้ก็เพราะว่าจิตใจยังรวมเข้าไปไม่ถึงที่เพราะว่าแต่โน้มสติเข้าไปคมจิตให้เข้าถึงความสงบเพราะกิเลสผลักดันเข้ามา ก็กลัวอำนาจของกิเลสแล้วไม่สู้แล้วปล่อยใจคิดฟุ้งซ่านไปตามอำนาจของกิเลสเป็นอย่งั้นที่มันภาวนาจิตใจสงบลงไม่ได้นะให้เข้าใจดังนั้นนะถ้าไม่ปฏิบัติตามนี่แล้วจิตไม่ลงเด็ดขาดเลย ถ้ายังกลัวทุกกลัวตายอยู่แล้วไม่ได้เลยอืมขอให้เข้าใจเสียมันต้องสละตายลงจริงๆนี่นะเอาตายเป็นตายวันไม่วันไหวเพราะว่ามันเคยตายมาแล้วนี่นับชาติไม่ท่วนแล้วอืมไม่ใช่ว่าตายจะมาตายเพียงชาตินี้เท่านั้นนะอดีตที่ล่วงมาแล้วนับชาติบพบไม่ท่วน เกิดมาแล้วกลมาตายเกิดขึ้นมาชาติใดแล้วกวัมาตายเติดยตอกันมาแต่ละลึกชาติถนหลังไม่ได้เฉยๆจึงรู้ไม่ได้ผู้ะระลึกชาติถนหลังได้ท่านก็บื่อเบือเบ่อความเกิดนี่อย่างพระพุทธเจ้าจึงได้เปลงอุทานออกมาว่าทุกขาชาติูุักปุนัง การเกิดบ่อยๆนี่ย้อมเป็นทุกข์หลายนี่พระองค์ผู้มีพระปัญญาอย่างรู้ความเกิดแก่เจ็บตายแจ้งด้วยปัญญาเช่นนี้แล้วก็เบื่อเต็มทนเลยเพราะมันเพ่งดูด้วยปัญญาแล้วการเกิดมามีเป็นรูปเป็นกายอันนี้ขึ้นมาเนะ่ะ ถ้าไม่ได้ใช้กายอันนี้สร้างบุญบารมีประกอบกุศลความดีต่างๆแล้วมั้ก็เข้าํำนองที่ว่าเกิดมาเล่นตายเล่นไม่ใช่เกิดจริงตายจริงอัน น, นี้ก็เกิดเล่นนะเกิดมาแล้วไม่ได้ทำประโยชน์อะไรประโยชน์ตนก็ไม่ได้ประโยชน์ผู้อื่นก็ไม่มีมัวแต่เพลินแต่เล่น แต่เมา อ, อยู่เฉยๆมัวแต่เสวงหาแต่ลาบแต่ชดสนเส ร, ริญความสุขทั่วคราวเท่านั้นแล้วการที่จะละจะสละความสุขทั่วคราวนั้นมาบำเพ็ญทาง จ, จิตใจทำใจให้สงบให้เข้มแข็งเพื่อกาจัดอาสวะกิเลสออกจา ก, กจิตใจนี้ ถือว่าเป็นสิ่งเหลือวิสัยทำไม่ได้อ่อนพับไปเลยถ้านึกว่าจะทำความเพียกรกำจัดกิเลสแล้วอย่างนี้นะสู้ไม่ได้ทันทีเลยยอมแพ้ทันทีเลยเหมือนอย่างนักมวยขึ้นเวทีแล้วชกกันไปสลายสองลายเท่านั้นเห็นว่าเขาชกตนมามันเจ็บอั น, นี้โอ้มสู้ไม่ได้แล้วยอมแพ้ไปเลยอย่างนี้ พวกคนดูเขาก็ประนามทั่วสนามแหละนักวยเช่นนั้นนะแล้วเขาก็ไม่จ้างมาชกให้ดูเลยอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลมีธาตุ อ, อ, อ่อนแอทอดแท่ต่อการกระทาความดีเช่นนี้นะชีวิตอันนี้เลยไม่มีประโยชน์อะไรเป็นมันไปเปล่า เ, าเกิดมาแล้วก็แก่เจ็บตายไปเปล่า จิตวิญญาณจิตดตวงนี้ที่อาศัยร่างกายนี่เมื่อไม่มีที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ในใจแล้วแค่นนี้นะมันก็ต้องมีบาปมีอกุศลแหละจิตนี้จะอยู่เฉยๆไม่ได้เมื่อได้มาใส่ร่างเป็นมนุษย์แล้วนะไม่ทมําบุญมันก็ไปทําบาปเอาบาปเป็นเครื่องนําทางมาดินะ ไะๆเมื่อตายลงอันนี้บาปมันก็นําไปสู่ทุกข์ตามตามสภาวะของมันแหละสภาวะของบาปนั่นมันมีแต่อํานวยผลให้เป็นทุกข์แก่ผู้กระทําเป็นปอย่างนั้นเอาภาวะของบุญบุญนี่มีแต่อํานวยความสุขให้แก่ผู้กระทานี่มันเป็นสัจจธรรมอย่างหนึ่งอันนี้นะเดี๋ยว่าเป็นสมมุติสัจจะ ผู้ไม่รู้แจ้งความจริงของบาปและบุญตามเป็นจริงอย่างว่านี่นะมันถึงไม่ปรารถนาที่จะกำจัดบาปอากุศลออกจากกิจใจใจอ่อนแอท่อแท้คันนึกว่าจะมาทำความเพียนขมใจให้ละความโลภโกรธหลงอันนี้เช่นนี้แล้วก็ท่อแท้แล้วสู้ไม่ได้เลย ลอยให้กิเลสมันครอบความจิตใจอยู่นั่นแล้วอจิตใจก็เราร้อนเป็นทุกข์วุ่นวายอยู่นั่นแหละเมื่อเวลามันไม่มีเหตุมากระทบมันก็ยังไมอ่อุ่นวายเดือดร้อนเท่าไรฮันพอมีเหตุแห่งความโรคความโกรธความหลงอะไรนั้นกระทบเข้ามาแล้วใจมันก็ดิ้นรนว่อนไหวไปตามอํานาจของกิเลสเหล่านั้นทันทีนี่เมื่อกิเลสมันมีอํานาจเหนือจิตใจแล้ว ใจมันก็เป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างนี้แลหละไอ้บุคคลที่เป็นทุกข์เดือดร้อนเบียดเวียนซึ่งกันและกันอยู่ในโลกนี่มันก็นล้วนตั้งแต่ไม่ยอมฝึกขนตนในเข้มแข็งกาจัดกิเลสดังกล่าวมา น, นี่ออกจากจิตใจนั่นเองนะวันนี้ก็ไปกล้าหาญทำความชั่วมีฆ่าสัตว์เป็นต้นมีการดื่มสุราเมรัยเป็นที่สุด ทำชั่วอย่างนั้นกล้าเต็มที่เลยสละชีวิตต่อความชั่วเหล่านั้นได้ทีนี้บางคนนะอย่างนี้แหละนี่แหละถึงว่ามันเบียดเบียนกันมันฆ่ากันตายอยู่บ่อยๆทําทุกข์ให้แก่กันอยู่นั่นนะเราะจิตใจคนสวนมากนะตกเป็นทาสของกิเลสดังกล่าวมานะั่นแล้วมันกล้าไปในทางความชั่วขอให้เข้าใจไอ้ผู้ที่ รู้ตัวได้อย่างนี้แล้วก็อย่าไปยอมสิอย่าไปยอมให้กิเลสล่า น, นั้นมันทับถมจิตใจอย่าไปสร้างมันขึ้นมาเพิกคิตนี่ให้มันเข้มแข็งเข้าไปยึดเอาคุณพระพุทธธรรมมาสงฆ์เอาบุญเอากุศลที่ตนทํามาแต่ก่อนนั้น่ะเป็นที่พึ่งไว้อืมอย่าไปปล่อยใจให้คิดไปถึงอย่างอื่นเพราะแต่ละคนน่ะ มาสละวัตถุสิ่งของของตนให้เป็นฐานมาไม่มากก็น้อยอแล้วตนก็มีเมตตากรุณาต่อบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้คิดช่วยเหลือเกือ้อกูลบุคคลและสัตว์บางชนิดที่มันตกทุกข์ได้ยากลำบากอะไรอย่างนี้นะแล้วก็ได้สละเงินทองเข้าของ บำรุงพระพุทธาศาสนาหรือว่าช่วยบำรุงประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปมนี้มันก็รวนแต่เป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นเลยแล้วบุคคลผู้ประมาทแล้วไม่ค่อยจะนึกถึงนะไปนึกถึงแต่เรื่องไม่เป็นสารประโยชน์นู่นอย่างนี้แหละ เดี๋ยวจะให้ใจมันสงบเชือกเย็นได้ยังไงอ่ะจะต้องนั่งภาวนาแล้วก็กำหนดจิตใจลงไปให้ใจมันตั้งขึ้นมาได้แล้วก็ น, นึกทบทวนดูถึงบุญถึงคุณดังกล่าวมาแล้วนั้นนะให้บุญคุณนั้นปลากดขึ้นในใจให้มันได้ เมื่อบุญคุณปรากฏขึ้นในใจแล้ววันนี้จิตใจนี้จะรู้สึกสบายขึ้นมาน่งเมื่อใจมันสบายแล้วมันก็ไม่คิดพุ่งไปภายนอกแล้วมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะก็เหมือนอย่างที่ว่าเราได้นอนอยู่ในฟูกเกาะเบาหมอนอันอ่อนนุ่มนิ่มแล้ววันนี้มีขวากั้นเรือน ลมพัดมาก็ไม่เข้าไปแดดซองเข้ามาก็ไม่เข้าถึงอย่างนี้นะสัตว์เรื่อยคานสัตว์มีพิษต่างๆก็เข้าไปไม่ได้เช่นนี้แล้วบุคคลพุทธก็นอ น, นสบายสิวะนี้หายระแวงแล้วไม่ไม่ระแวงถึงภัยอันตรายที่จะมาถึงตนเลยของก็นอ น, นหลับสบายอย่างนั้นแหละอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละ เมื่อบุคคลมาได้รับความอุ่นใจจากคุณพระรัตนกรายจากบุญกุศลที่ตนได้ทำมาเพราะตนระลึกถึงอยู่เสมอๆ อ, อย่างนี้นะเมื่อบุญคุณบางเกิดขึ้นในจิตใจมากเต็มที่เข้าไปแล้วอย่างนี้จิตมันก็อบอุ่นมันก็เสมือนอย่างบุคคลผู้นอนอยู่ในอาคารบ้านเรือนที่สร้างดีแล้วแข็งแรงดีแล้ว ไอยน์ธรรมชาติภายนอกก็ทําอันตรายไม่ได้ก็นอนหลับสบายก็สันนั่นแหละอืมให้เข้าใจอันนั้นเรียกว่าที่พึ่งภายนอกบี้ที่พึ่งภายในเนี่ยคนส่วนมากนะยังไม่ได้สร้างให้เกิดให้มีขึ้นนี้ขอให้พากันตื่นตัวเสียที่พึ่งภายในนี่สําคัญมากเลยเพราะว่า ที่พึ่งภายในคือบุญคุณคุณต่างๆนี่นะมันจะติดสอยห้อยตามดวงขิดนี่ไปโทษแห่งทุกข์นแเดี๋ยวจะนำดวงขิดนี้ให้ใกล้ต่อพรานิพานเข้าไปเลยเรื่อยไม่มีอะไรแล้วที่จะนำดวงขิดนี่ให้เข้าถึงบริพานได้มีแต่คุณพัฒนาไกลมีแต่บุญกุศลอันเกิดจากให้ทานบ้างรักษาศีล ห้าศิลอุโบสถบ้างรักษาศิลิทธิ์ศิลสองร้อยยี่สิบเจ็ด้าแล้วการไหวพระนั่งสมาธิภาวนาทำใจให้สงบระงับลงไปอย่างนี้ยิ่งเป็นบุญใหญ่การทำใจสงบอย่างนี้นะนี่แหละบุญคุณเหล่านี้แหละจะนำดวงขิตให้พ้นทุกข์ไปโดยลำดับให้เข้าใจกัน ไม่มีหอกอย่างอื่นที่จะมานำดวงขิตในพ้นทุกไปได้เมื่อมันยังไม่ถึงพรานิพานมันก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์หรือผู้บาเพ็ญสมาธิจนเกิดฌานสมาบัติละโลกนี้ไปแล้วมันก็ไปเกิดในพรหมโลกชั้นใดชั้นหนึ่งสเสวยผลแห่งบุญกุศลที่ตนทาในโลกนี้ไปอ่า ท่านว่าสวรรค์หรือพรมโลกนะ่ะอายุยืนยาวนานมีความสุขอยู่นานทีเดียวแหละไม่เหมือนโลกมนุษย์นี่โลกมนุษย์นี่สุขมันเจืออยู่ด้วยทุกข์ขอให้เข้าใจไม่ใช่สุขล้วนๆ น, นะโลกมนุษย์ของเรานี่ผู้มีความสุขได้เพราะมาฝึกจิตใจให้สงบระงับมีปัญญารู้เท่า สังขารทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นแล้วแปร่โพลแตกดับไปอยู่อย่างนี้นะผู้ผู้เช่นนีนะ้มีความสุขทางจิตใจเลยผู้ใดไม่ฝึกขนอารมณ์จิตใจให้สงบให้เกิดความรู้ความฉลาดในสังขารทำทั้งมวลดังกล่าวมานั่นแล้วหาความสุขอันเป็นแกนสารไม่ได้เลยสุขก็สุขชั่วคราวเท่านั้นเนี่ยได้กินอิ่มก็มีความสุขได้นอนหลับ เต็มอิมก็มีความสุขอถ้าขายได้เงินไ ด, ได้กำได้กําไรงามก็มีความสุขทําความดีเข้าไปอผู้มีอานาจเหนือให้ยศถาบรรดาศักดิ์เรื่อนขั้นเงินดุงเงินเดือน อ, อะไรให้ก็ถือว่ามีความสุขอันมนุษย์นั่นน่ะเข้าใจว่าความสุขอันนี้แหละเป็นยอดปรารถนาของตนผู้เกิดมาในโลกนี้ ไอ้คนที่ขาดปัญญาไม่ได้สดับคําสอนของผู้เผยเจ้าแล้วมันก็เป็นเช่นนั้นเนี่ยเหตุนั้นจึงติดอยู่ในความสุขชั่วคราวไม่ฝ่าถนาที่จะแสวงหานิรามิาสุขสุขไม่ต้องอิงอาศัยวัตถุสิ่งของอันใดเลยอืมก็ขอยพากันเข้าใจเสียไอ้การที่ติดอยู่ในความสุขชั่วคราวเนี่ยมัน ติดมาแล้วนับชาติไม่ท่วนที่ร่วงมาแล้วนะมันก็ยังไม่พ้นจากทุกข์ทบทวนดูให้ให้ดยียังไม่พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายความโศกเศร้าเสียใจที่ไรลําพันต่างๆนานาเหล่านี้นะต้องสังเกตดูสเิเมื่อเกิดมามีรูปมีกายนี่มาแล้วมันก็ต้องมาเป็นทุกข์กับ ดูแล ร, รักษามันเลี้ยงดูมันสารพัดเ ส, สวงหาปัจจัยสี่มาเลี้ยงมันนี่มันก็เป็นทุกข์อยู่พอแรงความชิงก็เป็นทุกข์หลายเพราะการสแสวงหาอาหารเสแวงหาผ้านุ่งผ้าห่มเสแวงหาเงินทองมาสร้างบ้านอาคารอันมั่นคงถาวรอยู่อาศัยสแสวงหาเงินทองมา ให้ค่าหมอรักษาพยาบาลเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหาเงินมาสะสมไว้เผื่อว่าเกิดภัยพิบัติต่างๆขึ้นมาเช่นว่าไฟไหม้บ้านอย่างนี้นะน้ำท่วมนาข้าวตายหมดอยานเช่นนี้ไอ้เงินที่ฝากที่ธนาคารนั่นนะมันจะเป็นที่พึ่งในเวลาเช่นนั่นหรือเนี้ จะต้องได้เอาดอกเบี้ยเงินฝากไว้ในธนาคารนะมาใช้มาจายแกคัดแก้จนต่งางๆต่อไปมันเป็นอย่างนั้นไอบ้บุคคลผู้ที่ไม่รู้อำนา้แก่ตันหาเกินไปน ะ, ะไม่ติดอยู่ในความสุขเกินประมาณเมื่อหาขอเงินดนะัดทองได้แล้วก็รู้จักประมาณในการใช้การจาย อย่างนี้นึกถึงอนาคตของตอนเมื่อตอนมีชีวิตชีวาสืบต่อไปก็จะได้อาศัยเงินทองที่ฝากไว้ในธนาคารนั้นต่อไปอันนี้ข้อนี้อุปมาเหมือนฉันใดบุคคลมานึกถึงร่างกายอันเป็นของไม่เที่ยงไม่อย่างยืนมันจะต้องมีแตกมีดับเมื่อถึงเมื่อถึงการเวลาคอมาของมันมาแล้ว ผู้ดใดคิดได้อย่างนี้ก็รีบเล่งสะสมที่พึ่งภายในจิตใจไว้ให้มั่นคงเลยหรือพยายามฝึกจิตนี้ให้ตั้งมั่นต่อบุญต่อคุณเข้าไปฝึกจิตนี้ให้มีปัญญาเฉลียวฉลาดรู้แจ้งขันห้าตามเป็นจริงไม่ยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตอนอย่างนี้นะ สอนจิตเนีมันรู้เท่าขันหน้านี้ไว้อ้ามันจะแจกมันจะดับเราจะไปถือว่าของเราได้ยังไงนั่งสอนจิตในตัวเองด้วยปัญญาอยู่อย่างนี้เสมอเสมอไปแล้วพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าปัญญาปริภาวิตังจิตตังส ม, มะเดวัสเวหิวิมุตติอาศัยปัญญา พอร้อมจิตสอนจิตนี้ บ, บ่อยเข้าไปแล้วก็จิตนี้ก็ย่อมวิมุตต์คือหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายบรรลุถึงซึ่งนิรามิสุขซึ่งเป็นสุขที่ไม่ติ่งต้องอิงอาศัยวัตถุสิ่งของหรือไม่ได้อาศัยภาตสี่ขันห้าอันนี้อยู่ตลอดไปเลย เมื่อจิตนี้ไม่ได้อาศัยวัตถุไม่ได้ยึดไม่ได้ถือไม่ได้เกาะพ้องอยู่ในธาตุสี่ขันธ์ห้าหรือนอกจากธาตุสีขันธ์ห้านี้ออกไปแล้วจิตนี้มันก็ย่อมมีความสุขสมสเสนืบเสมอตลอดไปแม้ว่ายังจะต้องอาศัยร่างกายอันนี้อยู่ก็ตาม มันก็มีความสุขอยู่ในตัวของมันนะสุขเพราะมันไม่ยึดถือของไม่เที่ยงนี่แล้วความทุกข์ความรู้สึกว่าเป็นทุกข์ทางใจมันก็ไม่มีเพราะว่าเมื่อใจไม่ยึดถือในสิ่งไม่เที่ยงแล้วใจไม่วันไหวแล้วความทุกข์ทางใจก็ไม่มีการที่จิตจะวันไหวนั้นก็เพราะว่าจิตวันจิตยึดถื อ, อ ยึดถือเอาของไม่เที่ยงไว้เมื่อของไม่เที่ยงมันวันไว้จิตก็วันไว้ไปตามนี่พี่นาดูให้ดีเป็นอย่างนี้แหละถ้าจิตไม่ยึดถือมันรู้แจ้งแล้วว่ามันไม่ใช่ของเรายึดถือไปได้ก็เป็นทุกข์เปล่าๆอย่างนี้นะสอนตนเข้าไปอย่างนี้มันรู้ตัวแล้วมันก็วาง อเมื่อเวลาร่างกายนี่มันวิบัติแปรปวนไปมันก็ไม่เสียใจไม่เศร้าโศกเวลาร่างกายนี่มันเป็นปกติ ด, ดีมันก็ไม่ไม่เพลิดเพลินไม่ล่าเริงบันเทิงว่าตนนั้นสบายมากตนนั้นจะไม่ตายง่ายอะไรอย่างนี้นะมันมันรู้ได้นี่ถึงแม้มันจะมีปกติเป็นสุขไปอย่างนี้มันก็สุขชั่วคราวเท่า น, นั้นแหละร่างกายอันนี้นะ มันโลกภัยไม่เบียดเบียนเหมอนกันมัน ก, มนก็มันก็ไม่เบียดเบียนทั่วย ะ, ยะหนึ่งเท่านั้นเองท่านไปไปเมื่อหากว่าบุญวาสนาบารมีที่ทํามาแต่ก่อนนั้นมันร่อยหลอลงไปทันีดรังธาตุทั้งสี่นี่ก็อ่อนแอลงเมื่อบุญเก่าเบา บ, าบางลงไปแล้วนะอ่นั่นแหละอุปมาเหมือนอย่างต้นไม้เท่ มันมีอายุไปยืนนานไปตามสภาพของมันแล้วมันเท่าแก่ชลาลงไปแล้วรากของมันดูดอาหารไปหล่อลเลี้ยงลำต้นไม่ได้แล้วใบก็ร่วงกิ่งก้านสาขาก็ตายแห้งลงมาแต่ยอดต้นตายลงมาตายลงมาอย่างนี้นะเพราะว่ามันไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงเพียงพอ มันจะงอกงามเจริญอยู่ไม่ได้เลยใบไม้กิ่งไมนะนะ้นั่นนะั่นฉันใดร่างกายของคนเรานี่ก็เป็นอย่างนั้นเลยคัานเมื่อบุญเก่านั้นมันน้อยลงไปแล้วอย่างนี้ถึงแม้ว่าบุคคลจะมีอาหารการกินบริบูรณ์หล่อเลี้ยงเท่าไรเท่าไรเมื่อธาตุทั้งสี่อันนี้บุญเก่านั้นน้อยลงแล้วบำลุงไม่เพียงพอแล้ว มันก็รับประทานอาหารไม่ได้มากเรื่องมันนะอธาตุไฟอ่อนลงแล้วไปรับประทานมากเขามันไม่ย่อยอะย่อยไม่ไหวอ่ะมันก็ท้องอืดท้องเพอ้อก็ปวดท้องขึ้นมานี่ดังนั้นผู้เช่นนั้นต้องรับประทานอาหารแต่ น, น้อยตามกําลังของธาตุไฟเท่าที่มีอยู่มันจะย่อยไปได้เท่าไรอ่ะมันก็เท่านั้นแหละดังนั้นร่างกายคนเราจึงได้สู้พร้อมลงไป เมื่อบุญเก่ามันหมดน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วนะอ่า้คิดดูพี่นาดูให้ดีถ้าบุญเก่านั้นยังบำรุงร่างกายอันนี้อยู่แข็งแรงอยู่เต็มอั ก, กลาอยู่อย่างี้นะกินก็ได้นอนก็รับเดินเหินไปมาทไหนก็คล่องแคล่วโรคไอัอะไรแรงก็ไม่ค่อยเบียดเบียนอ่าอย่างนี้แหละ ลองพิจารณาดูสิถ้าว่าจะมาคาดว่ามเมื่อบุคคลมีอาหารดีๆกินแล้วอย่างนี้มันก็อยู่สิมันก็ร่างกายแข็งแรงได้สิเหมือนกันผู้มีเงินทองมากๆเราเนั้ยนนะ่ะเขาไม่ได้อดอาหารเลยมีอาหารดีๆรับประทานอยู่ตลอดทุกวันไปแล้วทำไมนะมันจึงเท่าแกชราทุดโทมงลงร่างกายนั่นแหละ ลองสังเกตดูให้ดีทำไม้วมันจึงล้มจึงตายนั่นแหละแสดงว่าอาศัยบุญเก่าแท้ๆหล่อเลี้ยงไว้ร่างกายนีนะ่จึงเป็นไปได้เพราะบุญเก่ามันล่อยหลอลงไปแล้วมันก็สำรักชุดโมลงไปนั่นแหละใครมีอาหารดีๆมีที่อยู่ดีๆมีผ้าหนุ่งผ้าห่มดีๆมีรถลาขีราคาแพงๆยังไงก็ตามนะ ช่วยไม่ได้เลยนี่มีแต่สุดโทมลงไปโดยลำดับขอบุญเก่าหมดลงแล้วร่างนี้มันก็แตกทำลายลงเท่านั้นเองมันจะอยู่ได้ยังไงแล้วนี่แหละผู้ที่จะได้ศรัทธาความเชื่อมัน่นในเรื่องบุญเรื่องบาปก็ดีจะเห็นแจ้งในไตรลักษณ์น า, านก็มาพิจารณาเหตุปัจจัยของชีวิตดังกล่าวมานี้ อย่าไปล่าเลยถ้าไปล่าเลยเรื่องนี้แล้วมันจะไม่ได้เกิดนิพพิทาพรามเบื่อหน่ายต่อชาติความเกิดอันนี้มันก็จะมีความรักความหงแยเห็นอยู่ในธาตุสีขันธ์หน้าร่างกายอันนี้มันจะไม่ยอมปรงไม่ยอมวางจะไม่ยอมทําความเพียรเพื่อปล่อยเพื่อวางธาตุสีขันธ์หน้าอันี้แล้วมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมนนะที่คน เกียรติคลานไหวฟ้ภาภาวนาเกียรติคลานทํากุศลความดีต่งตางๆดังกล่าวมานั่นนะเพราะไม่เบื่อทุกในสงสารนี่เองพูดโดยสรุปแล้วนะไม่เบื่อทุกในขันหน้าการที่จิตใจมายึดถือยึดมั่นถือมาในขันธ์หน้าพอเป็นตัวเป็นต น, ตนอันนี้พระพุทธเจ้ากษัตริย์ตัวเป็นทุกรวบยอดวันนี้ลองพิจารณาดูจิตใจตัวเองสิ ว่ามันยึดถือขันหน้าว่าเป็นตัวเป็นตนอยู่เหลอหรือมันเห็นโทษของความยึดถือเหล่านั้นมันพยายามละพยายามปองอยู่มันก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนแหละจะต้องรู้แจ้งจิตใจของตัวเองอันนั้นนห ะ, ะเมื่อบุคคลได้ฝึกตนตามที่แนะนํามานี้ปัญญาบังเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเห็นโทษแห่งความยึดถือในขันหน้าว่าเป็นตัวเป็นตน แล้วก็ทำความเบียนพยายามปล่อยวางขันหน้าในเรื่อยไปจิตใจนี่มันก็ค่อยเบาจากทุกไปเรื่อยๆไปเมื่อมันปองมันวางขันหน้าได้เด็ดขาดออกไปแล้วความทุกข์ทางจิตใจนี่มันก็ดับไปสิ้นไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้